พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26ธันวาคม2557มีชื่อเรื่องว่าหาที่สงบให้กับจิตใจจะเย็นไหมเ จะนี่ร้องนะแต่เราอยู่ไกลท่นนี่เราอยู่สล า, านอกมันร้องอยู่ข้างในมันคงจะบอกว่าอุ่นขึ้นแล้วละหลวงพ่อเดี๋ยวว่าแต่มันมันบอกมันบอกว่าอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นมาแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวว่าแต่โอ้สองวันที่ผ่านมามันหนาวจริงๆแต่เมื่อวานนึกสึกว่าอุ่นขึ้น แต่วันนี้ก็ตอนเช้าเขาเลือกว่าดีขึ้นมากไม่หนาวแต่เขาบอกว่าช่วงจะเข้าปีใหม่จะหนาวอีกรอบหนึ่งนะแต่มันเข้าเขตแล้วดูหนาวแต่ถึงยังไงก็ไม่หนาวเหน็บเหมือนปีนก่อนแต่ตามไม่จริงเดือนธันวาเนี่ยรสึกมันจะหนาวหนาวยาวนานทีเดียวแต่เนี่ยหนาว เพียงปลายปลายเดือนหนาวไม่กี่วันวันนี้เป็นวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2557พระในวัดของเราวันนี้32รูปแล้วก็วันนี้ฉันจงหารเสร็จตอนใช้สายหลวงพ่อคงจะออกเดินทาง ไปลงไปกรุงเทพไปข่าวนี่ก็คงจะไม่กี่วันถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็คงจะกลับวันที่28 mm hmm. กลับึ้นมาวันที่28 mm hmm. เพราะสวนแสงธรรมอาทิตย์สุดท้ายของเดือน จะมีการทำบุญที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อกอ็ได้รับในมนก็คงจะไป <c oughs> ให้การสนับสนุนเพราะว่าเมื่อหลวงตาจากไปถ้าเ ก, ก็น้ำท่วมอีกต่างหากเลยเพราะหลวงตาจากไปแล้วก็น้ำท่วมพอน้ำท่วมรู้สึกว่าสวนแสงธรรมของเรา ที่เป็นวัดขององค์หลวงตารู้สึกว่าซบเซาพระสงฆ์ก็เลยได้มีการ <c oughs> มีการทอดผ้าป่าแล้วก็สมทบสมทบทุนบุรณะสวนแสงธรรมก็ให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมก็ให้ความสนใจใส่ใจพอสมควรในคราวนั้นนะ ได้จะตุปปัจัยมากพอสมควรแต่นี่ก็พัฒนาคุณชายป๋ำท่านก็ได้ทำถนนทาที่พักพาอาศัยกุฏิก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นพอสมควรว่าเรียบร้อยพอสมควรเหมาะสมวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน พวกคณะสงฆ์กรังหลวงพ่อน่นะบอกว่าวัดนี้เป็นวัดของหลวงตาถ้าพวกเราไม่ให้การใส่ใจสนับส น, นุนหรือไม่มาเข้ามาเกี่ยวข้องต่างองค์ต่างอยู่สวนแสงธรรมก็คงจะลอยหลอไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราสิทธิานุสิ์ทางหลายทั้งพระ น้อยพานโมโลูกหลานน้องๆทั้งหลายควรจะมารวมกันเดือนหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งรวมกันเพื่อศรัทธาญาติโยมศิทธิอนุสิทธิทท์ขององ์หลวงตาลูกหลานรุ่นใหม่ที่เป็นลู ก, ลกลๆูกหลานหลานของศรัทธาญาติโยมที่เป็นสิทธิขององ์หลวงตาก็ได้มาพบมาเจอกันเดือนหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่ง แสดงความคิดเห็นหรือ ว, ว่าแจก MP3 ขององค์หลวงตาเรือ ว, วาแจกหนังสือหลวงตาเพื่อได้ฟังแนวความคิดองค์ไหนจะเป็นองค์พูดองค์แสดงก็แนะแนววิธีการปฏิบัติขององค์หลวงตาที่แนะนำสั่งสอนลูกหลานอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดี ก็เลยมีการไปชมหาลือกันก็มีตกการตกลงกันนีมนพระครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกหลานลูกศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตานะเดือนหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็เลยมีงานขึ้นมาที่สวนจ้งธรรมพบกันกับคณะศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์แต่เมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อก็ได้ลงไป รู้สึ ก, กว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมล้นหลามนะมากแต่ปีนี้ก็คงจะมากอยู่มั้งหรือว่าลูกหลานอาจจะกลับขึ้นมาบ้านแล้วก็ได้เพราะมันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมันก็เป็นวันที่28แแล้วก็วันที่หนึ่งมกรา ก็จะขึ้นมาบ้านแต่บางคนก็ยังไม่ขึ้นนะมั้งคงจะยังอยู่คงจะเตรียมตัวจะขึ้นบ้านนะมันจวนปีใหม่เต็มทนนะหลวงพ่อจะได้ลงไปวันนี้วันที่26่สยี่สิบเจ็ดไปฉันข้างนอกยี่สิบแปดฉันที่สวนแสงธรรมพอสันเสร็จแล้วก็คงจะกลับขึ้นมามาสูบมาวัด <c oughs> แต่ถึงอย่างไงก็ตามนะกนัชธาญาโยมลูกหลานทุกองพวกเราที่อยู่ในวัดก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติหลวงพ่อนะหลวงพ่อเองนะ่สมัรใจไปสมัรใจไปไหมนะเน่าพูดอย่างนั้นขึ้นมาครับ หลวงพ่อตอบได้เลยเหมือนกับจูงหมาใสฝนลักษณะอย่างนั้นแหะแต่ว่ามันจําเป็นถ้าลูกหลานพระเนนมาถึงขั้นหลวงพ่อแล้วนะจะรู้ว่ามันจาเป็นยังไงแต่หลวงพ่อเองเคคิดว่ามันอยู่กับเราเราจะปฏิเสธก็ได้ใช่ปฏิเสธก็ได้อยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ในชุมชนสังคมเราจะทํำยังไง ถ้าว่าเราพอไปได้อยู่เรอาอก็ไปถ้าพอไปไม่ไดเออ้เราก็ต้องหยุดออถึงคราวเราต้องหยุดนะแต่ถ้าว่าพอไปได้อยู่ถ้าเราไม่ไปออกั น, นั้นแหล อ, อ, อมันมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันส่วนนั้นน่ะมันเป็นส่วนส่วนลึกของของความรู้สึกนะ <c oughs> เ, ออเพราะนั้นหลวงพ่อจึง พอไปได้จะเคยเอาไปก่อนแต่คิดว่าอีกไม่นา น, นลูกหลานนะสัทธาญาติโยมคงจะปฏิเสธเพราะอายุปูนนี้แล้วรู้สึกเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ว่ามันพอที่จะไปได้อยู่ก็ไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงพระเดนของพวกเรานะให้ตั้งใจภาวนา ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็ยิ่งภาวนาได้ดีพอหลวงพ่อไม่อยู่ต่างคนก็ต่างภาวนาเล่นความภาคเพียรของใครของเราอยู่ในความสงบ พ, พราวาวัดของเราเนี่ยปรีกวิเวกได้เฮ้ปลีกวิเวกได้เพราะเหตุหลายเพราะวัดของเรามันกว้างเราไปหยุดกุฏีหลังไหนทางหลังวัดอพอฉันจะหานเสร็จแล้วกันู้น เดินไปหาภาวนาไปปัดกวาดหลังไหนก็ได้อยากนั้เกิดขึ้นไปนั่งภาวนาไปเดินจงกรมไปจิบปีกวิเวกอยู่ตามลำพังหรือเราจะอดอาหารเราก็อดอาหารได้แล้วก็มีน้ำน้าลกน้ำก๊อกกอกน้ำคนไหลไปทุกกุฏิอยู่แล้ว เราได้ใช้ได้สะดวกสบายเรื่องน้ำไม่มีปัญหาแต่เรื่องฉันเท่านั้นเองตอนเวลาเราจะฉันก่อนมาฉันหรือว่าฉันปาหนะกบมาตอนบ่ายจากนั้นก็ปัดกวาดแล้วก็เก็บตัวเงียบภาวนาแล้วอย่าไปการภาวนากับการพูดคุยกันเนี่ยมันตรงกันข้ามนะ พระเนรลูกหลานนะถ้าว่าใครใครก็ตามถ้ามีการคลุกคลีคลุกคลีมั่วสมคุยกันอันนั้นสมาธิของผู้นั้นจะล่อยหล่อจะล่อยหล อ, อจะไม่เป็นสมาธิเพราะนั้นเรื่องพูดคุยกันต้องระมัดระวังอย่าไปพูดอย่าไปคุยกันต้องใช้ การสนทนาการครบค้าสมาคมให้น้อยที่สุดในขณะที่ภาวนานะแต่ว่าช่วงไหนที่เราจะสนทนาเราก็ว่ากันท่วงไหนที่เราจะภาวนามันต้องมีนะต้องเป็นเอกเทศจริงๆเปลียกตัวเลยละ่ะอย่างหลวงพ่อที่อยู่วัดป่าบ้านตาดในช่วงไหนหลวงพ่อจะอดอาหารเนี่ยหลวงพ่อจะเตรียมน้ำเพราะสมัยนั้นน้าปปาไม่มีที่วัดป่าบ้านตาดต้องขนน้ามา มาไว้ใช้ในตุ่มไว้เพราะว่าการพออดอาหารแล้วท่านไม่ให้มาทำกิจวัตรข้อวัดนะให้อยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องมาปัดกวาดแถวศาลาไม่ต้องมาทำกิจวัตรที่ศาลาท่านให้อยู่ตามลำพังให้อยู่ภาวนาเร่งภาวนาได้เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็พอจวนจะจะอดอาหารแล้วขาวนะจะอดห้าวันเจ็ดวันสิบวัน กะไว้ในใจแต่ก็ไม่ได้ตั้งสัจจะนะกะไว้ในใจจากนั้นก็เตรียมน้ําใส่ตุ่มเอาไว้ในห้องน้ําสำหรับใช้ส่วนตัวเสร็จแล้วก็ปัดกวาดทําความสะอาดตั้งใจอะไรตันี้อดอาหารแต่ไม่ได้ตั้งสัจจะคําว่าตั้งสัจจะคํานี้ใครเข้าไปเจ้าโจอดอาหารเจวัน10บวันสิบห้าวันอย่างนี้เราจะไม่ตั้งสัจจะ เพราะว่าการตั้งสัตจในการอดอาหารบางทีสุขภาพของเราไม่ดีบางทีปวดท้องบางอะไรบางามันมีพอเราจะรับประกันได้ยังไงเพราะเรามีธาตุขันใช่มถ้าหากว่ามันไม่พร้อมเราก็ถอยออกอถ้าภาวนาดีเราก็ต่อไปอีกก็ไดเ้เรากล่ไว้เจ็ดวันเอาสิบวันะเราเอด อ, อ, อ, อาหารบางทีสามวัน เราจะอดเพียงสามวันแต่ภาวนาดีหวเอาอีกต่อไปอีก5าวันอย่างนี้แหละแต่ว่าภาวนาวันแรกโู้ไม่ได้ปวดท้องรู้สึกว่าใจของเราปั่นป่วนแล้วเกินสู้ไม่ได้วะถ้าเขินถ้าขนอดทนไปเนี่ยเป็นบ้าแน่นีพอดูดูเจ้าของมันใจมันฝุง้ม ง, งมันฝะุ้งก็มีนะมันเอาไม่อยู่ ตามลำพังมันเอาไม่อยู่ก็มีเหมือนกันนะพอมันฟุ้งเสร็จแล้วก็ถอยก่อนถอยตังทัพใหม่เอหาเหตุทำไมมันมันจิตใจภาวนาเราอดอาหารทำไมมันฟุ้งวานเะ่เราก็หาเหตุมันฝุ้งเพราะอะไรเราไปคุยเกียขุดค้นเรื่องอะไรในช่วงนั้นนะเราไปแตะเรื่องอะไรในช่วงนั้นนะเราไปคิดเรื่องอะไรในช่วงนั้นนะก่อนที่เราจะอดอาหารในช่วงนั้นนะ ทำไมมันฟุ้งมันเอามาอยู่วานะหลัจากนั้นเราก็ลั้งคิดทบทวนนะอพอข่าวหน้าตั้งท่าใหม่อีกออตั้งข้ามาอี ก, อตาาอกแต่นี้เอาจุดที่มันจะออกมาหน่อยเอามันกอดเลยงั้นเถอปิดมันก่อนเลยนี่แหละโอ้เราชนะเออข่าวเนี้ยเออเราชนะได้ไหมก็ภาคภูมิใจในระดับหนึ่งที่เอาชนะ ความปรุงในจิตใจของเราได้เนะนี่แหละการภาวนาสรุปแล้วก็คือให้สังเกตนะพระนภูผพา น, านลานทั้งหลายนะให้สังเกตการภาวนาไม่ใช่ว่าทำไปตามที่เคยทําทํายังไงก็ทําอย่างนั้นไม่ใช่แล้วเราสังเกตช่วงนี้เป็นยังไงใจของเรามันอารมณ์ทางไหนอารมณ์ไปทางราคะหรืออารมณ์ไปทางโทสะ แต่ก่อนทำไมมันไม่มีแต่วันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะก็ให้สังเกตหาเหตุมันต้องมีเหตุซะก่อนผลมันจึงออกมานะเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านท่านจึงว่าต้องมีเหตุซะก่อนจึงค่อยมีผลผลนี่มันมาจากเหตุอันไหนนะผลนี่ที่เป็นมาอย่างนี้เป็นมาเพราะเป็นเหตุอะไรทาไมจึงเป็นเป็นผลอย่างนี้นะนี่แหละถ้าพวกเรา เป็นนักสังเกตรเราจะรู้วิธีการปฏิบัติของพวกเราแต่ถึงยังไงเรื่องสมร tha ในสำคัญทำจิตใจให้สงบซะก่อนถ้าจิตใจไม่สงบเราจะมองไม่เห็นเราจะมองไม่เห็นจุดถ้าจิตใจผ่านความสงบจิตใจของเรานิ่งพอสมควรแล้วนะเราจะมองเห็นอะไรมองเห็นได้ชัดนะเรื่องราวเป็นมาอย่างไงอย่างไงเราจะเห็นได้ด้วยตัวของเราเอง เพราะจิตใจผ่านความสกบถ้าจิตใจของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดมันจะมองไม่เห็นอะไรมันเหมือนกระจุยในควันไฟอยู่ในกลุ่มควันไฟมันตลบอยู่มันมองไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้กิเลสตัวไหนโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหตัวไหนมันตีมาลุ่มมาตุมมลุ่มมาตุ่มมาลุ่มมาตุ่มเราอยู่เราจะมองไม่เห็น แต่ถ้าว่าเราทากิตจใจให้สงบใช้สมรถกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทธพุทธพุทธทหรือนับอย่างที่หลวงพ่อว่าหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองแต่จะไปทำฟูดฟาดฟูดฟานให้หายใจปกตินะแต่ให้นับให้มีสติตเองตั้งตั้งท่าให้เข้มแข็งนับไปถึงร้อย ไปถึงร้อยไม่ต้องร้ยหนึ่งร้อสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหไม่ต้องนับขนาดนั้นนะพอถึงร้อย้วกลับมานับหนึ่งใหม่อีกนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกสองถึงร้อก็กลับมานับหนึ่งใหม่อีกมันจะเผลอที่ตรงไหนถ้าหากว่ามันไม่เผลอนับถึงร้อยน่แหละถ้ามันเผลอเผลอช่วงไหนเปลงเผลอช่วงยี่สิบใช่ไหมหายหายใจเข้ายีสบหายไอหายใจออกยี่ส แสดงว่ามันเผลอแล้วมันเผลอกลับมานับหนึ่งไหมอย่าไปนับไปต่อไปเพราะเราจะได้รู้ว่ามันเผลอช่วงไหนจากนั้นเมื่อเราไม่เผลอนับครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหครั้งไม่เผลอพอไม่เผลอจ ะ, ะนะอืนกำหนดลมหายใจเข้าเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเลยเไม่ต้องนับเลยพุทโทพุทโทมันอยู่ไหม ถ้ามันอยู่ถ้ามันเผลอแสลบออกไปอีกลองนับอีกสิว่ามันเป็นยังไงมันทำไมมันเผลอเผลอช่วงไหนนี่แหละใ ห, ให้ข้าว่าสรุปแล้วก็คือให้สังเกตในการภาวนาต่อไปใจของเราก็สงบแลยทนใจสงบนน่งพอใจสงบปีกเย็นสบายมีความสุขนะักทีิสันติปรังสุขขังความสุขสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี พวกเราจะได้ริมรถแหนการความสงบของจิตใจแต่ตอนนี้พวกเราเห็นแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องจิตเรื่องใจของเราตลอดแต่ความสงบนิ่งพวกเรายังไม่พบไม่เจอแต่พวกเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ความสงบจะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราทุกลานพระเดชพระของเราทุกๆุกองนะเอาตอนนี้ไปรับพร น, นักตีเนอะ ศรัทธาญาติโยมรับพรประสงค์อนุนโมทนาให้พร